วันนี้ก็ขึ้นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานวันนี้วันที่เท่าไรแล้วเนี่ย13แล้วนะ13กันยายนแล้วก็เดี๋ยวก็จะออกพรรษาแล้วแต่ตอนนี้ศึกษาในเรื่องของเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานอยู่เนี่ยสรุปก็คือตอนนี้ยังเรียนสติปัฏฐา น, นสูตรอยู่ในสติปัฏฐานสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเขาไวน้นะ ที่เราได้ศึกษากันนี่ก็บอกว่าเอวังเมสุตังเอเกังสมายังภะคะวาปุรุสุวิหรติกรรมาสะดัมมังนามาปุรุนังนิขโมตัตระโคภะควาภิขุอามันเตสิพิขโวติปันเตติเตพิคุภะควะโตปัจจโสสูงภะคะวะภควะโตปัจจโสสูงนะนะเทติเตพิขุภะคะวะโตปัจจโสสูงก็บอกภะควาเอตตโวจากเอกายโนยังปิเกเวมะโข สัตนานังวิสุทธิยาสโสกาปริเดวานังทุกสมาติกมาญาตุกโตมนาสานางอัถังขมาญ า, ยาย า, า, ย, า, า, ายายาสะอธิขมาญานิพานะสาสัจฉิกริยายะยะทิทางจัตตโรสติบัานาเป็ตนต้นใช่ไหมที่พระเจ้าตรัสยังไงว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่นะที่จริงท่านป้านนทจะบอกว่าไงข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ใช่ไหมในสูตรที่เราเริ่มกันอาจะย์ได้เนาะ ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้แปลว่าท่านก็เป็นคำพูดของกันเป็นคำพูดของท่านพระอนุนทําไมท่านพระอนนยิ่งพูดอย่างนั้นรูกใช่ท่านพระอนุนท่านเปรื่องตนเองเนาะท่านเปรื่องตนเองออกว่าว่าท่านไม่ใช่เป็นสยามภูนะท่านไม่ใช่ตัสรุณุตระสัมมาสัมโพธิญาณได้ด้วยตนเองนะแต่ข้าพเจ้าได้สดับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระเจ้าอย่างเนี้ยแต่ถ้าหากท่านพระอนุนนี่ส สดับมาต่อหน้าพระพักของพระผู้มีพระาคเจ้าเนี่ยแปดหมืสองพันพระธรรมขันธ์แล้วก็ฟังจากสาวกรูปอื่นมีภาษารีบุตรเป็นต้นสองพันพระธรรมขันธ์รวมเป็นเสร็จพระธรรมคํำสอนของพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่8ปดหมืสี่พันพระธรรมขันธ์ฉะนั้นใน8ปดหมืสี่พันพระธรรมขันธ์นั้นเป็นพระวินัยยปีดอกเสียสองหมื่นสองมืเท่าไหร่ดิเออสี่หมื่นสี่หมื่นสี่มนเท่าไหร่สี่หมืนสองพันพระธรรมขันธ์ใช่ไหม ไม่ใช่สองหมืน่นสองหมืนเท่าไรเนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันพระธรรมขันธ์แล้วก็เป็นพระสุตตันตปิฎกเสียสองหมื่นหนึ่งพันแล้วพระธรรมขันธ์เป็นพระ พ, พิธรรมเท่าไรสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์รวมเป็นเท่าไรแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นะอันนั้นคือพระธรรมคําสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงทั้งหมดแต่ว่าท่านผ่านนอนนี่ฟังเฉพาะพระ พ, พักแปดหมื่น สองพันพระธรรมมังขัเราได้ฟังต่อหน้าพระพักกี่พระธรรมขังขัไม่ได้ฟังเลยนี่อันนี้โทษของอะไรดีโทษของอะไรดีเนี่ยโทษของการสั่งสมอัจฉริยะใถามว่าสมัยก่อนเราเป็นอะไรอยู่หนอแล้วเราจึงไม่ได้มีโอกาสได้เฝ้าพระพุทมีพระภาคถึงที่ประทับและได้สดับ พ, พระธรรมอเดรนาของพระองค์คําตอบง่ายๆคือก็คงจะเป็นแบบทุกวันนี้แหละใช่ไหม เป็นแบบทุกวันนี่และใช่ไหมจ้าเพรับฉะนั้นถ้าเราถ้าเราประเภทที่ไม่เป็นแบบทุกวันนี้คงคงได้เดิบได้ดีเลยวก็ไม่เป็นไรนะะ <c oughs> ฉะนั้นตรงนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าก็ตรัสท่านพระนรินทก็บอกว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้นะสมัยหนึ่งสมัยยังไะสมัยไหนสมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ฟ้านครูทั้งหลาย เป็นต้นนะทีนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสพุทธภาสิตว่าดูก่อนภิสูุ์ทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเอกายโนเนี่ยนะทางนี้เป็นทางเอกทางสายเดียวแล้วก็เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ทางเอกนี่เขาเรียกว่าอะไรเออถ้าหากว่าในคําสอนของพระพุทธเจ้านะให้สังเกตดูนะว่าบางครั้งเนี่ย บางครั้งพุทธเจ้าเป็นทางสายเอกเนี่ยสายเอกในที่นี้เป็นชื่อของมัชชิมาปฏิบัตานะเขาเรียกก็เป็นปฏิบัติธรรมกลางใช่ไหมธรรมกลางระหว่างอะไรก็ต่ออะไรอ่ะถามว่าอัตตกิรมาฐานุโยกนี่ถือว่าทรามกลางไหมไม่ใช่ธรรมกลางใช่ไหมถ้าการมาสุขขาริการุโยคก็ไม่ใช่ทรามกลางแต่มัชชิมาปฏิบทาเนี่ยเป็นปฏิภาปฏิบัทาสายกลางในนี้ก็จะเทางสายกลางสายเอกนั่นเองเพื่อความบริสุทธิ์ของเราสัตว์ บริสุทธิ์ในงนั้นก็คือบริสุทธิ์จากกิเลสเป็นต้นก็ก้าวล่วงความโศกและกับปรีเทวะความโศกคืออะไรความโศกความโศกนี่เป็นชื่อของทุกทั้งหมด น, นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆบริบทของคำ ว, ว่าโศกปรีเทวะทุกขโทมนานะสะและอุปาญาตเนี่ยเป็นชื่อของทุกทั้งเลยก็คือเป็นชื่อของชาติที่ทุกชราทุกมรณะทุก ถ้าก็โสกาปริเทวะทุกขโทมนาสาอุปาญาตเป็นชื่อของขันห้าที่มันแปลปวนนั่นแหละใช่ไหมมีไหมขันห้าที่มันเกิดขึ้นมาแล้วจะไม่มีโสกาปริเตวะทุกขโทมนาสาและอุปาญาตนี้ไม่มีไม่มีเลยนะสรุปแล้วก็คือว่าเมื่อมีขันห้าอย่างลงณที่ไหนเมื่อมีขันสี่อย่างลงณพบใพดภูมิใดเมื่อมีขันหนึ่งอย่างลงณพบใดภูมิใดก็จะต้องมีความทุกมีชาติทุกข์ชาราทุกข์แล้วก็มรณะทุกเป็นต้น ร็จแล้วก็ถือว่าสิ่งที่เราได้กันณปัจจุบันนี้ก็คือเขาเรียกว่าได้ทุกมาก่อนเขาเรียกเราได้ปัญหาเนี่ยถ้าจะอุปอมาเหมือนว่าโอ้เราท่านทั้งหลายที่นั่งกันอยู่เนี่ยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยอุปอมาน ห, มหนักไหมหนักไม่หนักหนักไหจริงๆเป็นโรคมะเร็งไหม <c oughs> เป็นไม่เป็นจริงๆก็คือเป็นโรคมะเร็งทั้งนั้น ห, หนักกว่าโรคมะเร็งในที่เราเป็นกันอยู่เนี่ยโรคอะไรโรคคือว่าชาติติด ช, ชาติคือความเกิดชราคือความแก่มรณะคือความตายใช่ไหมความโศความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจอันนี้หนักกว่ามะเร็ง น, นะหนักกว่านะก็สรุปก็คือว่าในอดีตคนเ็เป็นโรคภัยไข้เจ็บกันอย่างนี้เออไปเจอในสูตรหนึ่งนะท่านอุปมาหนักมากตอนนั้นพระพุทธเจ้าสอนใครสอนระเวทนาเนี่ยแหละ เรื่องเวทนาที่เราศึกษากันนี่อ่ะกลังศึกษากำลังวิจัยเรื่องเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานกันนี่แหละพระเจ้าสอนมาคันธยะในมาคันธิยะสูตรสอนมาคันธิยะพรามหมณ์ยมมาคันธิยะพราหมณ์กับพรามณาระทวาชโคดเนี่ยเขานั่งสนทนากันตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็ไปประทับนั่งอยู่ก็จะมีอาสนะใช่ไหมมีอาสนะที่ท่านใช้เป็นญ่าคาทําอาสนะแล้วก็ท่านเป็นเป็นอาสนาะในการฉันในการอะไรเป็นต้น ต่อมาพระองค์ฉันพัฒตาหารทํากิจของตนเองเสร็จเสร็จแล้วพระองค์ก็หลีกเล่นเข้าไปในป่าอันนั้นเป็นกิจประจําของพระนะพระเนเมื่อหลังพัฒนาหารแล้วท่านก็นั่งหลีกเล่นเข้าไปในโคนไม้บ้างลอมปางบ้างภูเขาบ้างเรือนว่างว่างบ้ง า, บงา ง, า ง, งยิ่นะแล้วก็นั่งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าเป็นต้นเหล่านี้ท่านก็มานาสิการในการที่จะเข้าพระละสมาบัติบ้างในกรณีที่จะเข้าสมาบัติบ้างบางบางทีท่านก็เข้านิโรธาสมาบัติเป็นต้นบ้าง ทีนี้พรามณสองท่านเนี่ยก็นั่งคุยกันใช่ไหมโดยเฉพาะมาคันธียะพราม์ก็ชี้ให้ในที่นั่งแบบเนี้ยที่ไม่ยับเลยไม่ยู่ยี่เลยเป็นที่นั่งที่ดูแลดีอย่างเงี้ยลักษณะไม่ว่าจะลุกจะอะไรต่างๆเียบร้อยอย่างเงี้ยนั้นดูรูอยไม่มีเปรอเปื้อนเลยเนี่ยที่นั่งอย่างนี้เห็นทีจะเป็นที่นั่งของใครรู้ไหมเป็นที่นั่งของท่านสมณะโคดมเป็นแน่แท้ั้าเช่นท่านอย่างเงี้ยนะคือคงจะเป็นที่นั่งของพระโคดมอ่ะเป็นที่นั่งของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นนะ แล้วเขาก็ลือกันว่าก็อันนี้เขาเป็นอาเจระกะนะ เ, เขาเป็นพรามพวกอาเจระกะนะพวกอาชีวกนะพวกอาชีวกอาชีวกมีสองกลุ่มนะกลุ่มที่นุ่งผ้ากลุ่มที่ไม่นุ่งผ้าก็จะมีเงี้ยนะแต่กลุ่มพวกนี้เขาเขานุ่งผ้านี่อย่างโดยเฉพาะมาคันธยาพรามเนี่ยนะมาคันธยะเนี่ยแกเป็นเดรรถีแกมีข้อบรพร่องตัวกว่าโอ้แม่ก็ก็ชี้แล้วแกตำหนิต่องานแต่ว่าเนี่ยเขาก็ลือกันนะว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นผู้เสด็จมาดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกปุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ทำเป็นผู้จำแนกทำนะเป็นผู้จำแนกอะไรจำแนกขันหาอายตนะบสองท่า 18, สิบจา 4, อินทรีย์ยี่สสเออเป็นผู้จำแนกสติปัฏฐานสีสมปัฏาน4อิทิบาทสีอินทรีย์ห้า พระห้าโพชงเจ็ดมรรคแปดเป็นต้นหนึ่ง เ, ออเป็นผู้จำแนกทำว่างั้นนะว่าแม้พระองค์ประกาศตนเองว่าเป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมาโลกพรหมโลกเนี่ยพร้อมทั้งอัฏฐะพระ อ, องค์แสดงธรรมประกอบไปด้วยอัฏฐะและวก็ยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์รณสิ้นเชิงงามในเบื้องต้นท่ามกลางด้วที่สุดใช่ไหมงามในเบื้องต้นด้วยศีลสมถาวิปัสนาท่ามกลางด้วยอริยมรรคที่สุดไดผลและพระนิพพานเป็นต้นเหล่านี้นะเขาว่าไปตามลําดับเ อ, อเาลือกันอย่างเงี้ยว่างั้นนะ แสดงให้เห็นชัดคืออะไรรู้ไหมแสดงให้เห็นชัดว่าพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเสียงที่เขาลือกระชอนไปทั่วชมพูทวีปใช่ไหมเฉพาะในมื่อพื้นดินของมนุษย์นี่นะแปลว่าเขาลือไปทั่วชมพูทวีปเนี่ยกระชอนไปหมดใช่ไหมแล้วไม่ใช่แค่ชั้นของมนุษย์เท่านั้นจารตุมหาราชิกาเขาก็ลือกันแบบเนี้แล้วก็ตาวติงสายามาดุสิตานิมมานอรณีปรณณิมวิสวสวัวดี แล้วก็ยังพรหมปริษาชาพรหมบริยต า, มามหมาพรหมมาใช่ไหมแล้วก็ในชั้นของอาพัสลาอปมานาภาแล้วก็ปรลิตสุภาเินต้นไล่ไปตามลำดับหมดแหละจนถึงสุดท้าย ว, ว่ า, าจะพรหมเนี่ยเว้นอารมณ์ภปปูมิอยู่ไหมถามว่าในอารมณ์ภูมิเรายังมียังมีเก่าวพุทธคุณของพระเจ้าไหยมีไม่มีมีไม่มีเอ่ะในอากาสานัญญายจตนาภูมิวิญญาณัญจาเตนาภูมิอากินัญญายจตนาภูมิแล้วก็ เนวาสัญญาณสัญญาเยตนาภูมิเนี่ยยังมีการกล่าวเสริมเพราะคุณของผู้มีพระเจ้าด้วยความแม่พ่อเหตุนั้นพระผู้มีพระเจ้ามีไหมมีคนเจริญพุทธานุสติไม่มีมีหรือไม่มีมีไมีนะเขาเจริญได้มโนเทวังแล้ววิถีแ่ไม่ใช่มีพระอริยไหมใช่ไหมมีพระโสดาบันมีพระสกอาทากามีพระนาคารมีพระอรหันไหมสรุปแล้วมีทุกภูมเลยเว้นอสัญญสสตภูมิเนาะแล้วก็เว้นอบายภูมิสี่ อ่ะยภูมิสี่ก็มีเหมือนกันนะใช่ไหมใช่อย่างภูมของเปรตเนี่ยมีการร้องหาพู้เจ้าอยังพอมีเนาะยังพอมีเอาสิแต่พวกสัตว์เดรัจฉานหมดศิษย์เลยลองคิดดูนะถ้าเป็นเปนตรตก็โอ๊ยกว่าจะนึกถึงคาพูดทโทได้ไหยลําบากมากเพราะทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เลยมากก็เป็นอาเยตุกะสัตว์ด้วยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าในชั้นของพวกสัตว์นรกกับหมดศิษย์แล้วสุดร่างกายสัตว์เดรัจสัตว์เดรัจฉานนี่กับหมดศิษยแล้ว อนี้สัตว์เดือดฉมีการเจริญพัฒนคุณไม่มีแล้วเนาะนี่แล้วก็น่ากลัวมากเลยก็บอกว่าบ้านเดิมของเราก็คืออบัยภูมินะว่าเนี่ยนะฉะนั้นอ่ะในระหว่างที่มีชีวิตอยู่เหมอือนอนามาก็ฟังฟังสะเทือนใจตอนไหนเขาจะสเทือนใจในที่นี้คือฟังตอนที่ท่านพระในตอนที่พระเวสสันตนะ์อนนะพระเวสสันต์อนที่ท่านปลารบปลารบทานบารามี พอปลาลบทานนบารมีเบ็ดเสร็จแล้วที่บอกว่าพออยู่ในครันของมารดาใช่ไหมมารดาก็ปารบให้ทานตลอดและพอคลอดออกมาก็พูดเนี่ยพูดว่าจะ บ, บริจาทานเนี่ยแล้วก็แบกเงินขอเงิน แ, แม่ทําบุญวันแรกไม่ธรรมาดาใช่ไหมคลอดออกมาแล้วแบกมือขอสต็งแม่ทําบุญเหรอเรายัง่ยไงร้องตะ บ, บันอะไรยังไม่ออกวันแรกเนะี่ย แม่ลำคาญนะเลยก็มาอยู่พบไหนภูมิไหนวันก่อนยอมก็มาเล่าครับเล่าให้ฟังพระมีท้าอยู่แบบนึงเนี่ยเขาบอกโ้ยังยากมากพอเกิดมาก็ร้องบอกยิ่งยมแม่ทุ่ยไหลพระมาจากนรกแน่นอนแมันร้องขนาดนี้มันทกกับเวทนานมากใช่งไหมมันได้ทกกขเวทนานในนรกมาจําได้อย่งไรมันร้องใหญ่เด้อพอมันลืมตาดูโลกมันตกใจกลัวยังไงมันร้องใหญ่ แต่พระพุทสันดอนไม่อย่างนั้นนะแบมือขอเงินให้ทานแล้วก็น้อมในการที่จะบริจาคทางจะสละอยู่ตลอดเวลาลองคิดดูเนี้ยแล้วมีอยู่ข้างหนึ่งที่บอกว่าให้ช้างปัจจียนางใช่ั้มแล้วต่อมาก็ประชาชนก็เดือดร้อนเพราะประชาชนเดือดร้อนมาประชาชนก็พากันไปประท้วงประท้วงไปเสร็จก็ให้ออกแล้วต่อมาพวกอามารก็ไปทูลบอกข้าแต่มหาลาเจ้าบอกว่ตอนนี้อ่ะ ประชาชนก็เดือดร้อนมากที่การกระทําของมาราที่ไปถว่าไอ้มอบช้างให้กับไอ้ช้างปัจเจนาเนี่ยให้กับแฟนชาวเมืองอื่นเขาซึ่งเป็นสมบัติของชาวเมืองเนี่ยว่า ง, งั้นนะพอไปพูดเนี่ยเขามีมติลงเอกฉันกันแล้ก็จะขับไล่พระองค์แล้วให้ออกจากเมืองเนี่ยให้ทิ้งราชบัลลังก์เนี่ยให้ออกจากเมืองนี้ไปคืนอยู่เนี่ยเมืองก็จะล่มละลายลง <S <S ท่านกับพิจารณาพิจารณาบอกว่าอย่าว่าแต่ทรัพย์สมบัติภายนอกเลยว่า ง, งั้นนาะ แม้ท่านผู้ใดเนี่ยถ้าปราถนาดวงใจข้าพเจ้าพวกนั้นข้าพเจ้าก็จะใช้มีดผ่าดวงใจแล้วก็จะยื่นให้ต้องการตาก็จะควักดวงตาให้เดี๋ยวนี้ถ้าใครมาขอแขนของเราเราก็จะตัดแขนให้ท่านคุนนั้นอย่าว่าจะเป็นทรัพย์ภายนอกเลย ท, ท่านตาริอย่างนี้นะพอตารี่ก็มานะีท่านปีติสมนัดมากเมื่อปีติในการที่จะให้ดวงตาจะให้หัวใจจะให้แขน จะให้หนังให้เนื้อให้เลือดให้อวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายเพื่อเป็นทานเนี่ยเพราะให้ทานภายนอกแล้วมันไม่ชุ่มใจมันไม่ชื่นใจอยากจะผ่าดวงใจแล้วยื่นให้ฟังตรงนี้เราหูสะเคืนใจมากยังนะเราไม่เคยคิดเลยนะนอกจากไม่คิดแล้วเราห่วงนะมหวงไมหมห่วงนี่แหละกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยทำขนาดนั้นนะถ้าเรามาพิจารณาอย่างนี้เราจะได้เห็นคุณของพระเจ้ายัางไงเยอะไหม ถ้าอย่างนั้นเราจะไม่รู้จักพระพุทธเจ้าว่าพราะองค์เนี่ยเป็นผู้ยิ่งใหญ่สักบานใด น, น้อยแล้วเนี่ยมันต้องพิจารณาแล้วก็ไข้ควรไปตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ให้จงหนักว่าพระพุทธเจ้าสละขนาดนั้นกว่าจะมาตัดสรุอนุตระสำมาสัมโพธินา่านนซึ่งเป็นของที่ยากยิ่งฉะนั้นถ้าเราจะทนลาบากหน่อยในการที่จะศึกษาพระธรรมในการที่จะเจริญนําเอาศีลกุศลนั้นประเสริฐสมาธิขันนั้นประเสริฐแล้วก็ปัญญาณ ขันอันประเสริฐเนี่ยน้อมเข้าสู่กระแสขันของเราเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะหนักหนาสาหัสหถสถานอะไรใช่ไหมใช่มันก็ทอมที่จะต้องทําได้เพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องไปคิดค้นคว้าเองยังตอนที่พระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ ย, ออยตอนที่เป็นสุมเมธาดาบทถ้าท่านจะตัดส ร, รู้นี่นะวันนั้นนะท่านฟังสี่บาดคาถาท่านจะเป็นพระอหันองค์หนึ่งนะที่แต่ฉานในี่ิญญาหกปฏิสัมพิทาญาณสี่แล้วก็วิชาสาม ได้วิชาสามอภินญาหกว่าปฏิสัมพิทาญาสี่แล้วเดินตามหลังภิกษุเสกสี่แสนลูปในวันนั้นนะถ้าท่านฟังทำสี่บาทคาถานี่นะเออฟังสี่บาทคาถาท่านจะได้บรรลุในวันนั้นแล้วก็จะเป็นภิกษุแล้วก็แตกฉานอภินญาด้วยแล้วก็บรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาญาด้วยแล้วก็ได้วิชาสามด้วยคือสรุปก็คือวิชาแปดได้เพราะงั้นใช่มีวิปัสสนาญาณเป็นต้นอีที่วิทะมนโนวยิทติ เพียระโสตะใช่ไหมเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณจุตูป ป, ปาตาญาณแล้วก็อาสวยายาัคยญาณวิชาแปดจะได้ในวันนั้นเลยถ้าฟังสี่บาทคาถาเนี่ยใช่ไหมครับแต่ท่านสละเลยอนะ่ะบางคนเช่นเราเนี่ยไม่ได้แล้วผมนั้นถ้าเราจะบรรลุ ด, ด้วยการที่ไม่โดยการไปคนเดียวอย่างเนี้ยไม่ประเสริฐกว่างั้นเราจะเราเราคือตอนนั้นอนะ่ะท่านเรียนจบไตรเพศมา ทำพีตาเพ่จะมีมีอยู่วิชาหนึ่งเขาเรียกวิชาดูลักษณะของมหาบุรุษในลักษณะของมหาบุรุษเนี่ยตอนนั้นน่ะที่ท่านเหาะมาใช่ไหมชาวรามานะนะครรามนาะรามนาะรามานะนะครรามมะนะครก็คือรมมะนะครนี่ในประเทศไทยมีไหมรมมะนะครนี้ไม่มีมีไห ม, ม มีพระโลบหนึ่งกันพูดอามาข่อมนั่นเลยกมีว่าอามาเอ๊มียังไง่มมะอ้าวลำมานคกนก็ออ ก, ก็บุรีลำไงก็เราพูดกลับแล้วอาตมาบอกเออคิดไปคิดมามันใช่จริงเหรอเออเนี่ยอาตมาพูดแปลกนั่นเลเนี่ยเอมมเอจริงจริงด้วยลำ ม, มนานครนคือบุรีลำนะใช่ไหมฮะ ใช่จริงเขอมีแต่คงไม่ใช่ตรงนี้กันวางก <c oughs> ันนั่นเาไม่ใช่บริลล์รอมหรอกที่พระอาจาองค์ก่อนเสด็จนะแต่เชื่อเรามหมนะพ่อ <c oughs> แล้วก็มีสิพสรีนะสบเสด็จตามเนี่ยตามมาด้วยเนี่ยสีส่แสนลูกตอนนั้นน ะ, นะพระพ ธ, ธิษัตว์เหาะลงมาใช่ไหตะอี้ทานทำอะไรกันอยู่งานก็หนักทำไมหน้าตายินแย้งผ่องใสําประชาชนชาวเ้าไหมนะพ่อ ก็บอกอา้าวพระพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติมาพร้อม่ได้พิสูจน์สองท่านไปรู้อยู่บอกเพราะได้ยินคำพุทธพระพุทเจ้าใจตื่นเต้นแล้แล้วเราเวลาได้ยินพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นแล้วในโลกตื่นเต้นไหมความสตื่นเต้นไหมโย่ตื่นเต้นไห ม, ม, น, น, ไหมนิดๆหรือ ม, มากๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยเริ่มได้เดบได้ดีนะเนี่ยทำไมเรามาตอนเป็นกรรวา่าได้ยินคำพุทธโทเหมือนกันนะ พอได้ยินว่าพุทธโธจะไมเ่เฉยๆก็รู้ตอนนั้นนะแสดงว่าอัธยาศัยน้อยมากเลยนะพอมาศึกษาเข้าจึงมาโอ้โหคำนี้เป็นคํามงคล น, นามนี่คํานี้หาฟังได้ยากเชื่อไหมอีกสองพันกว่าปีจะไม่ได้ยินคําว่าพุทโธถึงได้ยินก็จะคนจะไม่รู้ความหมายว่าผู้ตัดสู้อริยสัจ ส, สี่ตอนนี้ถามว่าพุทโธเนี่ยมีใครรู้ไหมว่าพราะองค์ตัดสู้อริยสัจ ส, สี่คือตัดสู้ทกตัดสู้ทกสมอไ ท, ทยตัดสู้ทกทันนิโรธ สรู้ทุกขนันยิโรตคามมนีไปดูเวทนาเอาต้องไปถามว่าที่พูดโทแปลว่าอะไรก็รู้ไหมพวกรู้พูกตื่นพวกเบิกบานนี่แหละแล้วไม่รู้อัฐาด้วยนะรู้คิดช้อยพยัญชนะใช่ไหมจากนั้นต่อไปคนจะไม่รู้คำว่าพูดโธรนะข่าวบริกรรมกันตั้งปีบางคนหายใจเขาเาพูดหายใจออกโทยังไม่รู้เลยอ่ะน่าเสียดายเนาะแช่ไม่แค่ทีนี้ก็ท่านก็ถามแบ่งให้หน้อยสิว่างั้นท่านก็อยากจะมีส่วน เขาเห็นว่าท่านมีอิทฤทธิ์ใช่ไหมเออท่านคนนี้เป็นฤาษีมีฤทธิ์มากเราก็เคารพนับถืออยู่แล้วงั้นท่านเอาเอาที่ยากๆหน่อยอเออยากๆก็ง่ายๆก็พาท่านผมเรียบร้อยหมดแล้วโอ้ยท่านเขาก็นึกว่าท่านจะบรรดาญได้ฤทธิ์หนิถามว่าถ้าบรรดาญได้ฤทธิ์จะได้บุญเยอะไหมใช้เวลาไม่ถึงห้าไม่ถึงนาทีอะเสร็จเลยเป็นถนนทองคําก็ได้แต่ท่านไม่ทําลยเออท่านไม่ทําท่านทํายังไงท่านก็เอาหนังเสือของท่านแล้ว เขไปโกยดินนาะโกยดินเนาะไปเทไปเทมันไม่เสร็จเลยตรงนั้นเปื่อนเปื่อนเปลอะเลยนะพอาพูดถึงหนังสืออันนึงนึกถึงฤาษีเมื่อวันก่อนฤาษีก็มานั่งหน้ากุฏิถ้าใส่ชุดฤาษีนะยอนสุดท้านหะัผมต้องคิดหนักเลยตอนนี้อ๋อตอนนี้มีฤาษีมาท้าทายแล้วนะชเชอมั้ยอ๋อ แล้วแล้วเขาไปที่เขาอยู่ที่สวนป่านี่นะราพระอยู่ในกุฏิเนี่ยเขาเขาไปมาอยู่ข้างๆกุฏิพระพระอยู่ในกุฏิแต่เขาเขามีกรดมาแขวนเขาไม่เขาไม่อยู่ในกรดน่ะเขามาอยู่นอกกรดฝนตกเขาก็นั่งกม็มาฐานอยู่ข้างนอก <laughs> ยมสงสารด้วยว่าเอาท้าแล้วเอาพระคุญญณเจ้าแน่ว่มามันนั่งกม็มาฐานด้ก็ยยโยอมเลยนั่งเฉ ย, อยกินเขากินนิดเดียวเอาสิมองนะ เขาจะถือการมองตะวันนะมองเพ่งตะวันเพ่งได้เป็นหลายๆชั่วโมงยอมยอมเพ่งได้นะมเอาดวงอาทิตย์ขึ้นมาก็ยืนเพ่งแล้วก็ปล่อยให้ดวงอาทิตย์ขึ้นไปเรื่อยๆเล ย, เ, ลยเขาก็เพ่งตามไปเรื่อยจนถึงตะวันถึงหัวก็แงอนิเพ่งอยู่นั่นแหละถือไม่เท้าเพ่งอยู่นั่ยืนอยู่นั้นเอาเถอเอาพอไปถามขึ้นมานี่นะไปนั่งคุยด้วยนะ พอถามเรื่องสติปัฏฐานสี่เาก็รู้ได้วบกกายเวทนาจิตธรรมว่ากันนึงเอายุ่งแล้วสวดมนต์แค่นัสนสวดได้อยากก่างพระเลยตอเนี้ี่ยเลยทายําไงดีแต่เขาปฏิบัติแบบเนี้ยเขาอยากจะมาบวชสมมุตินะถ้าเขามาบวชเป็นพระนะมาบวชเป็นพระแล้วมาอยู่วัตสัตรานี่ย แล้วเขามานั่งปฏิบัติอย่างนี้ได้เป็นวันวั น, วนถามว่าจะมีโยมขึ้นเยอะไหมเยอะไหมเอยอะโยมใช่ไหมเนี่ยถ้าเราแยกไม่ออกถ้าเราไม่ศึกษาว่าทำเราจะแยกออกไหมว่าอะไรอะไรแท้ไม่แท้อย่าลืมนะลักษณะอย่างนี้ในสมัยตติยสังคขยนาณาในะที่พระเจ้าทรงมหาราชเนี่ยหกหมื่นลูกที่แทรกเข้ามาแบบเนี้ยมีมีท่าปฏิบัติแปลกๆบางกลุ่มได้ถึงกับพิญญาด้วยเอาสิแล้วจะว่าไง แต่ยอมสมานก็ไปว่าจะไปสอ น, นานานๆเลยตกมนต์สกอดอยู่กับที่เลยยุ่งมาทําไงเนี่ยใช่ไหมน่าคิดไหมนี่แหละถ้าเราไม่ศึกษากวัตราวิโกให้ดีนะจะยุ่งหรือต่อไปเราจะเอาฐานตรงไหนไปวิ่ัยวันนี้คือพระธรรมคาสอนของพระเจ้านี่คือไม่ใช่นน่าเป็นห่วงไหมแต่ราละอยยดจะเพิ่งไปตามก็ไปเยอะเลยเนี่ยยังมันจะไปเรื่องใหญ่ที่จะไม่ได้เข้าเวทนานุปัสสนา แต่เมื่อเราเร า, าไปในแหละเราเตือนให้ให้ให้ทราบวา่าตอนนี้ภัยพระ่าสนาเนี่ยน่ากลัวมากเริ่มแทรกเข้ามาแล้วเยอะมากตอนนี้เริ่มเข้ามามีมาทุกรูปแบบแล้วเขากรรมาฐานก็ต้องถือวนันแน่รานี่เริ่มเริ่มคิดหนักแล้วว่าเขาเรียนแบบผิวเผินเขาใหญ่ไหมเหมือนกับที่นักปฏิบัติโดยทั่วๆไปลอกไปถามเร่ที่การเวทนาจิตธรรมก็ผม แต่เจาะลึกเขาไม่ค่อยรู้นะใช่ไหมครักายเวทนาจิตธรรมทีนี้แต่ข้อปฏิบัติของทั้งสี่มันไม่ใช่ปฏิบัติแบบนี้แล้วเพ่งดินเพ่งน้ําเพ่งไปเพ่งลมไปแล้วแล้วก็มีการปฏิบัติโดยอุปเครดด้วยไม่กินอาหารกินนิดๆหน่อยๆพราะอยู่กรดอยู่กับดินด้วยแล้วเขาออกจาก๊กามได้จริงๆด้วยแต่เขาเป็นกลุ่มอัตตากิรมาฐานโโยะเลยใช่ไหมเรื่องกรรมคุณเขาไม่เขาบอกว่านั่งสนทนาญาณ น, นะ เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใส่ใจในการมาคุณมาขนาดเป็นคารวะนี่นะเขาไม่เคยแม้จะไปดูฟังเพลงไม่แต่สักครั้งเลยเนี่ยเขายังไม่ใจเขามีเม่น้อมดีกว่าใจมันออกจากกาอย่างนี้ต้องถือว่าเขาเป็นนักบวชเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าเราดูในธรรมมาจากขบว่าเจนะโสเนี่ยเขาเรียกว่าอัตตกิรานุอัตตกิราตมหานยโยโขทุกโคใช่ไหมอนาลีโยอนาตสันอิโตอันนี้ผมไม่ใช่ปฏิปทาของว่าริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์ แล้วไม่ใช่เป็นการประพืชต่ชาําชาเรียวซามด้วยเนะยเพราะเขาไม่บริโภคกรรมใจเขาน้อมออกจากกรรมมาคุณแต่เขาเขาน้อมเขาหาเนกขม่าเลยแต่เขาน้อมผิดเข้าไปนะเขาน้อมผิดเป็นกลุ่มอัดตากิรัมาฐานุโยกที่ประกอบตนให้ลาบากเปล่าแล้วเขาก็ทําอริยคุณให้เกิดขึ้นในกระแสขันไม่ได้ด้วยแต่ถ้าหากคนไม่รู้พระธรรมคาำำสอนอย่างลึกซึ้งจักแยกไม่ออกแล้วเขาสามารถจะทําสมาบัติให้เกิดขึ้นก็ได้ ไม่ใช่ไม่ไไม่ใช่เป็นเรื่องยากเลยสําหรับถ้าเขาจะทําประศมิชาเป็นต้นให้เกิดขึ้นเยอะถ้าเขามีอัธยาศัยนะแต่ว่ามันเป็นมิจฉาปฏิปทาเป็นปฏิปทาที่ดําเนินไปสู่ทางผิดมันไม่ถูกตรงนี้ถ้าไม่ชัดเจนในคําสอนจะแยกได้ไหมไม่ได้แล้วคนจะนับถือมากบรรดากเกจิทั้งหลายที่ไปปลุกเสกเครื่องรางของคลังนี่นะนั่งประมาิฐานกันสักชั่วโมงหนึ่งก็จะต้อง เรียบร้อยไปเจอนี้นั่งแปดชั่วโมงสบ า, งบายสบายเนี่ยลองคิดดูจะว่ามันนั่งเฉยหลับตาอยู่งั้นเนี่ยเราสามารถที่ไปนั่งเฝ้าได้แปดชั่วโมงนี่ก็ไม่ลืมตาขึ้นมาดูเลยอันมาก็ไปที่อินเดียก็ไปเจอพระรูปหนึ่งท่านเป็นย่า ว, ว่าใช่ไหมท่านก็ขึ้นไปที่เออขึ้นไปที่ลือลือศีกเอาโยม เช่ข้างหน้าเรื่องถ้าหากว่ากรณีที่ในกรณีที่ไปในลักษณะนี้ถามว่าถ้าเรื่องเรื่องกรรมฐานหรือเรื่องสมาธินี่เนะื้เราต้องบอกว่าเขาเขาฝึกมาดีเขาฝึกมาดาีงั้นตรงนี้ก็คือต้องการชี้ให้เห็นว่า ตอนที่ถ้าเราศึกษาพระธรรมคําำคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ชัดเนี่ยเราจะแยกไม่ออกจะแยกไม่ออกว่าระหว่างระหว่างกามสุ ข, ขัาลิกานุโยกกับอัตตกิรมัานุโยกนึ่มต่างกันยังไงเพราะแต่ละบุคคลเนี่ก็ปฏิบัติก็อ้างพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นเป็นนั่น่ลยแต่ถ้าหากว่าเราไม่มี กติกาในการที่จะศึกษาพระธรรมคําสอนของพระอาจายให้ชัดลงไปเนี่ยนะมันแยกไม่ออกเพราะแยกไม่ออกแล้วก็ทีนี้ก็เป็นปัญหาก็ดังที่ได้กล่าวที่บอกว่าสุมเมธาดาบทเนี่ยนะที่เมื่อเมื่อเห็นประชาชนชาวรามานนครเนี่ยนะเขาเขาขวนญขวายกันอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่านก็ท่านก็มามาม า, มาอยากจะมีส่วนในการที่จะกระทำตรงนั้นบ้างเมื่อท่านขวนขวายในการทำไปท่านจะใช้อิทธิฤทธ์ก็ไดยแต่ท่านไม่ทำใช่ไหม ก็ใช้แรงในขณะที่ทําไปนั้นเน่ยพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ก็เสด็จมาพราเสด็จมาปแปล ว, ว่าไม่ทันแล้วเพราะไม่ทันเนี่ยท่านก็พิจารณาดูแล้วว่าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เนี่ยถ้าจะมาเหยียบโคลนตมเนี่ยไม่ไม่เหมาะเลยท่านก็เลยใช้หนังเสือที่ท่านเป็นฤาษีเนี่ยนะก็วางไว้วางไว้กับโครนที่เปื่อนๆแล้วท่านก็นอนลาบลงแล้วท่านก็ชงเง้อมองพระพุทธเจ้า พอมองเนี่ยคนที่ศึกษาคัมภีร์พระเวทมาเป็นอย่างดีเนีในคัมภีร์พระเวทเนี่ยจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ท่านดูมหาปุริสระขณะท่านก็รู้ทันทีว่าเออท่านผูเนี้นะประกอบไปด้วยมหาปุริสระขณะสามสิบสองประการประดับประดาด้วยอนุพยัญชนะอีกแปสิบพอเห็นอย่างนั้นเท่านั้นแนหะท่านตัดสินใจใช่แน่แล้วท่านผูนี้เราเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละกรณีแห่งการที่ท่านตั้งจิตปรารถนาในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้น ท่านถึงบอกว่าถ้าท่านจะตัดสรุปนี่เป็นเรื่องง่ายมากใช่ไหมฟังสี่บาทกาถาท่านจะตัดสรุปแล้วก็เดินตามพระอรหันต์สี่แสนรูปในวันนั้นได้อย่างสบายสบายแล้วแต่ถ้าด้วยด้วยอะไรด้วยพระมหากรุณาที่คุณท่านบอกว่าเออคนเช่นเราเนี่ยจะตจะตัดสรุก็ปรารถนาให้บุคคลตัดสรุตามด้วยเป็นตน้นอัธยาศัยที่ตั้งในลักษณะนิถานว่าตั้งได้ยากไหมเรื่องบอกว่ายากดังที่ได้กล่าวไว้ไงที่บอกว่าเออชาวเมืองก็ไล่ท่านไล่ท่านในตอนนี้เป็นกษัตริย์ บอกว่าไปบริจาคมากเกินไปให้ช้างเป็นต้นแล้วต่อมาหมาด ก, ก็บอกเออนี่ตอนนี้ประชาชนมาเดินขบวนขับไล่ท่านเพื่อจะให้ท่านออกจากเมืองเป็นต้นแล้วนะั้นท่านก็ฟีดีนะท่านไปพิจารณาท่านบอกว่าอย่าว่าจะทรัาบสมบัติภายนอกเลยถ้าจะใช้มีดหรือสตราผาเอหัวใจเด็กดวงใจยื่นให้ท่านยังทำได้ควักดวงตาให้ท่านก็ทำมาแล้วแขนหรืออ่องวิญญาน้อยใหญ่ต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ได้ท่านยังสลัดได้เป็นต้นไม่ต้องพูดถึงในด้านของทราบภายนอก อันนั้นอนะคือใจของพวกโวติสัตถ์ถ้าอย่างเราคิดก็ทอ้อใช่ไหมเพียงเราเราทำทั้งหลายแคคิดก็ท้ออันนั้นก็ไปไถ่ควรตรงเนี้ยทาไมเราต้องจะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละครั้งเนี่ยทําไมต้องนอบน้อมคุณของพระพุทธเจ้านี้คือต้องการจักเขียนถ้าหากว่าเราไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้านี่นะการศึกษาวิธีทำของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่เกิดปามโมดปิติปสัสสธิและความสุขและจะไม่เป็นที่ตั้งของสมาธิใช่ไหมถ้าสมาธิไม่เกิดเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของญาติถาภูตยานะทัศน์คือปัญญาที่จะเข้าไปรู้เห็นเพราะปัญญาที่จะสามารถเข้าไปรู้แจ้งอัฏฐารู้แจ้งธรรมะใช่ไหมในการที่รู้แจ้งอัฏฐารู้แจ้งธรรมะเป็นต้นแล้วเกิดตามโมติติปสติเป็นต้นได้นั้นจะต้องใช้ระดับปัญญาที่มีฐานอย่างดีนะกายกรรมวิจีกรรมอาชีวะต้องบริสุทธิ์ไหมต้องบริสุทธิ์ใช่ไหมถ้ากายกรรมวจีกรรมและอาชีวะไม่บริสุทธิ์นะการฟังว่าธทำมีเสียหายนะเพราะอะไรรู้ไหมฟังทำนี่เป็นภาวนากุศลไหม ฉะนั้นระดับภาวนากุศลแปลว่าจะต้องระดับเลยสมถภ า, าวนาแล้วก็วิปัสนาภาวนาสมถภ า, าวนาและวิัสนาภาวนานั้นในการปางพระธรรมของพระผู้มีภาคนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าในกรรมฐานสามสิบแปดนี่เขาเรียกสมถภ า, าวนาใช่ไหมแล้วก็ศกขันห้าญาตนาสิบสองทาสิบแปดสัจจ์อินทรีย์เป็นต้นเหล่เนี้ยอันนี้เป็นกลุ่มของในการที่จะมาไขครัวรในการเจริญวิปัสนาฉะนั้นเวลาเราศึกษาเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานที่กําลังศึกษากันอยู่เนี่ย อันนี้เป็นกลุ่มของอะไรกลุ่มของเวทนาขันเพราะว่าในกายานุปัสนานี่เป็นกลุ่มของรูป